รุ่งอรุณที่สุขโตตอนคืนความปกติให้แก่จิตใจน้ำฝนช่วยบำรงเลี้ยงร่างกายได้ดีกว่าน้ำหวานฉันใดสติก็บำรงเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่าความคิดปรุงแต่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีมีสีสันฉันนั้นการมีสติหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันขณะ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสรญแต่การอยู่กับปัจจุบันขณะ น, นี้เราต้องเข้าใจให้ดีเพราะว่าในบางกรณีก็อาจทำให้เรางงได้อย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ทางกายได้เกิดขึ้นแล้วขณะ น, นี้เช่นปวดหัวปวดท้องบางคนก็เลยเข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันก็คือ การเอาจิตเข้าไปจดจ่ออยู่กับความเจ็บความปวดรับความเจ็บปวดเข้าไปจนทุกข์มากขึ้นเช่นนี้แล้วจะพูดได้อย่างไรว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะทำให้เป็นสุขมันจะสุขได้อย่างไรในเมื่อจิตไปอยู่กับความเจ็บปวดเต็มที่สู้นึกถึงสิ่งสวยๆงามๆปล่อยใจไปอยู่กับภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามหรือเสียงเพลงที่ไพเราะไม่ดีกว่าหรือ มันจะทำให้เราสบายใจลืมความเจ็บปวดดีกว่าที่เราจะเอาจิตไปจดจอ่ออยู่กับความเจ็บปวดในแต่ละขณะการอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการที่เรารับรู้ความเจ็บความปวดของร่างกายแต่ไม่ใช่ไปจดจอ่อจนกระทั่งหลุดเข้าไปในความเจ็บความปวดไม่ใช่กายปวดจิตก็ปวดด้วยอันนั้นไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันแล้วนี่เรียกว่า เข้าไปในความเจ็บความปวดแล้วไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่กับความเจ็บความปวดแล้วเรากลายเป็นผู้ปวดเสียเองไม่ใช่เห็นความปวดถ้าอยู่กับปัจจุบันจริงๆก็คือรับรู้ความเจ็บความปวดรับรู้อยู่ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันก็เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมด้วยเมื่อรู้ตัวทั่วพร้อมแล้ว ความเจ็บความปวดก็เป็นเพียงอาการที่เรารับรู้รู้ว่ามันเป็นแค่อาการที่เกิดขึ้นกับกายแต่ไม่ใช่เข้าไปในความเจ็บความปวดจนกระทั่งเป็นผู้เจ็บผู้ปวดเสียเองอันนี้คือความต่างระหว่างการมีสติเห็นความเจ็บปวดกับการหลุดเข้าไปในความเจ็บปวดอันหลังนี้เรียกว่าอาการที่ไม่มีสติ มันเป็นความต่างระหว่างสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าผู้เห็นกับผู้เป็นสตินี้แหละช่วยให้เราเป็นผู้เห็นเห็นปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันรับรู้ความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ให้ความเจ็บความปวดเข้ามาครอบงำจิตใจเข้ามาครอบงำทั้งเนื้อทั้งตัวจนเป็นเนื้อเป็นตัวหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันความเจ็บปวดนั้นเป็นเวทนาในปัจจุบันก็จริง แต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปเป็นความเจ็บความปวดเสียเองนี่เป็นความแตกต่างที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาเราเข้าไปในความเจ็บความปวดแล้วทาไมเราถึงเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมถ้าเป็นแค่ผู้เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าไปในความเจ็บความปวดแล้วมันปวดยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับโดนลูกศรสองดอกพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้คนเรา ถ้ามีสติก็โดนแค่ลูกศรดอกเดียวคือแค่ความเจ็บปวดทางกายแต่คนที่ไม่มีสติจะเจอกับลูกศรสองดอกคือทุกกายด้วยทุกใจด้วยพอเข้าไปในความเจ็บความปวดสิ่งที่ตามมาก็คือการเข้าไปยึดถือความเจ็บความปวดนั้นว่าเป็นเราเป็นของเรายึดความปวดเป็นเราเป็นของเราหมายความว่า เราไปสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นผู้ปวดเราเป็นผู้เจ็บนี้แหละที่หลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าเป็นผู้เป็นคือไปยึดถือไปสำคัญมั่นหมายว่าความเจ็บปวดเป็นเราเป็นของเราตรงนี้แหละมันเกิดจากการไม่มีสติเพราะถ้ามีสติสติจะเป็นตัวช่วยให้เราเป็นแค่ผู้เห็นไม่ปล่อยให้เราหลุดเข้าไปในความเจ็บปวดหรือความทุกข์ หรือในความคิดต่างๆสติจะเป็นผู้ดึงเราออกมาหรือเตือนเราไม่ให้เข้าไปในอารมณ์ต่างๆถ้าไม่มีสติหรือสติอ่อนเราก็จะหลุดเข้าไปในความเจ็บความปวดนั้นสิ่งที่ตามมาคือความสำคัญมั่นหมายว่าความเจ็บความปวดเป็นเราเป็นของเราเราเป็นผู้เจ็บผู้ปวดอันนี้เรียกว่าอุ ป, ปาทาน อุปทานคือความติดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราพอมีอุปทานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เตรียมทุกข์ไว้ได้เลยเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆอุปทานในทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์เพราะของเหล่านี้ใครๆก็อยากจะแย่งชิงมันออกไปจากเราไม่ใช่แต่คนเท่านั้นธรรมชาติก็พร้อมจะพรากมันไปจากเราด้วยเหมือนกันเช่นทําให้มันเสื่อมโทรม ผุกร่อนไปมีเรียกว่าธรรมชาติพากไปจากเราความจริงไม่ต้องรอให้ธรรมชาติพากไปหรอกคนนี้แหละจะพากมันไปจากเราเช่นขโมยหรือหยิบยืมแล้วลืมหายไปมันเป็นของเราจริงๆไม่ได้เลยเพราะทุกสิ่งในธรรมชาติพร้อมจะพากมันออกไปจากเราการมีอุปทานยึดในสิ่งที่ดีน่าปรารถนาก็ทำให้ทุก์ การมีอุปทานไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้ทุกข์เช่นกันเช่นยึดเอาความเจ็บปวดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทำให้ทุกข์เพราะว่ามันเท่ากับเอาความเจ็บความปวดนั้นมาทิมแทงใจแต่ก่อนมันแค่ปวดทางกายพอเราไปยึดเอาเป็นเราเป็นของเราความเจ็บปวดมันก็เลยทิมใจเข้าไปด้วยเวลามีคนมาตำหนิเรา เราเอาคำตำหนินั้นมากรุ่นคิดซ้าแล้วซ้าเล่า ว, ว่ามันด่าเราคือเอาตัวตนออกรับก็เลยกลายเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคำด่าก็เลยเป็นทุกข์นี่เรียกว่าอุปาทานคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราของเราหรือเป็นตัวกูของกูขึ้นมาสำคัญมั่นหมายว่ามันด่าเราเวลาเกิดความเครียดขึ้นมาก็รู้สึกเลยว่าเราเครียด หรือว่าฉันเครียดแทนที่จะเป็นเพียงผู้เห็นว่าความเครียดเกิดขึ้นในใจเวลาเราเดินเหยียบตะปูแทนที่จะคิดว่าตะปูทิ่มเท้าเรากลับไปปรุงแต่งว่าตะปูทิ่มฉันเวลามีดบาดนิ้วก็ไม่ได้นึกว่ามีดบาดนิ้วแต่กลับไปคิดว่ามีดบาดฉันนี่เพราะไปติดยึดเป็นอุปทานขึ้นมาไม่ว่าสิ่งเดียวหรือไม่ดี ถ้าไปมีอุปทานเข้าก็เป็นทุกข์ลองพิจารณาดูความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราก็ล้วนเป็นเพราะเราไปยึดเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นถ้ามันไม่เป็นไปนตามใจเราเราก็เป็นทุกข์รัดกรุ่มเสียอกเสียใจลูกของเราแฟนของเราแม่ของเราทรัพย์ของเราความปวดนี้ของเราฉันเป็นผู้ปวด ลองดูเวลาเราเครียดหรือง่วงขณะปฏิบัติลองเห็นมันเสียบ้างอย่าเข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงไม่ต้องรอให้ความเครียดเกิดขึ้นหรอกเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ให้มีแต่การเดินการสร้างจังหวะแต่อย่าไปสาคัญมั่นหมายว่าฉันเดินฉันเดินฉันสร้างจังหวะอย่าไปบริกรรมหรือนึกในใจว่าฉันเดิน อย่าไปเข้าใจว่านี่เป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเกิดมีสติความรู้ตัวไม่ได้เกิดจากการคิดหรือการบริกรรมการเป็ น, นึกในใจว่าฉันเดินฉันเดินอันนี้มันเป็นความคิดแล้วไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมันไม่ต้องอาศัยความคิดเวลามีคนมาแตะหลังเรา เราก็รู้สึกขึ้นมาทันทีไม่ต้องมีใครมาบอกและไม่ต้องคิดในใจว่าอ้อมีคนมาแตะหลังฉันไม่ต้องอาศัยความคิดเลยก็รู้สึกได้มีคนแตะหลังเราเราก็รู้ตัวทันทีไม่ใช่สะดุ้งด้วยนะสะดุ้งก็ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวแต่มาจากการลืมตัวถ้าเราไม่เข้าไปในความเครียดไม่เข้าไปในความทุ์เราก็จะเป็นสุข เป็นปกติปัญหาคือว่าเราชอบเข้าไปในความเครียดเข้าไปในความวิตกกังวลและอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอมันเริ่มตั้งแต่เข้าไปในความสุขในความฝันฟุ้งปรุงแต่งนั่นแหละพอเข้าไปในความสุขและปรุงแต่งจนเป็นนิสัยก็ง่ายที่จะหลุดเข้าไปในความทุกข์ความเครียดเหมือนกันเพราะทั้งสองสิ่งนี้มีแรงดึงดูดพ อ, พอกันไม่ใช่แต่ความสุขเท่านั้นที่มีแรงดึงดูด ความทุกข์ก็มีเหมือนกันคนเราทุกเรื่องใดใจก็อยากจะหมกมุ่นคลุ้นคิดอยู่ในความทุกข์เรื่องนั้นเวลาโกรธหรือเศร้าโศกเสียใจใครจะมาชวนให้ไปไหนก็ไม่อยากไปนึกในใจว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะอยู่กับความโกรธความเศร้านี่แหละมีเพื่อนคนหนึ่งอกหักนั่งซึมอยู่ที่บ้านพอได้ยินเสียงกลิ่งที่ประตู ก็สงสัยใครมาหาเราปรากฏว่าเป็นเพื่อนมาชวนไปเที่ยวพอรู้เข้าก็รู้สึกฉุนขึ้นมาเลยคิดขึ้นมาในใจว่าเวลาสุขก็มีอุปสรรคครั้นจะทุกข์ก็ยังมีขวากหนามเสียอีกทุกข์ไม่สมใจเลยคนเราเวลาทุกข์ก็อยากจะจมอยู่กับความทุกข์รุ่นคิดในความทุกข์อยู่นั่นแหละไม่อยากทำอะไรไม่อยากไปไหน อยากจะจมเจ่าอยู่ในความทุกข์นั้นมันมีรสชาตินะทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ชอบรือดเพลในความสุขเวลาทุกข์ก็ง่ายที่จะเข้าไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะจิตเรากลายเป็นจิตที่ปล่อยตัวง่ายไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันก็จะหลุดเข้าไปในอดีตกับอนาคตในความสุขกับความทุกข์ได้ง่ายเมื่อเราหลุดเข้าไปในอดีตกับอนาคต ความสุขกับความทุกข์ทำยังไงถึงจะออกมาได้สตินั่นแหละเป็นตัวดึงออกมาสติเป็นตัวดึงจิตออกมาจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความท้อแท้ความโกรธความเกลียดสติเป็นผู้ดึงออกมาแต่สติจะดึงได้สติต้องมีพลังแลนะฉับไวรู้ทันท่วงทีถ้าไม่รู้ทันท่วงทีความคิดปรุงแต่งก็จะค่อยๆราม ค่อยๆอลุกค่อยๆเข้มข้นไปเรื่อ ย, เ, อยเหมือนกับไฟไฟถ้าปล่อยไว้ก็จะลามและแรงจนเอาไม่อยู่ไฟที่ไม่ป่าเป็นพันพันไร่ก็จะเริ่มต้นมาจากประกายไฟน้อยๆจากเปลวไฟเปลวเดียวเท่านั้นแหละการจัดการกับไฟป่าที่ดีที่สุดคือดับตอนที่มันเพิ่งเกิดแต่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหูตาไวฉันใดก็ฉันนั้น จะจัดการกับความทุกข์ได้ดีเราต้องอาศัยสติที่รู้ทันความทุกข์อย่างรวดเร็วฉับไวขณะที่มันเพิ่งก่อตัวถ้าสติเชื่องช้าหรือไม่มีกำลังความทุกข์มันก็จะลามลึกไปเรื่อยๆหรือพูดอีกอย่างใจเราก็จะหลุดเข้าไปในความทุกข์จนไม่รู้ถึงไหนหๆแล้วถึงตอนนี้จะดึงจิตออกมานี่ยากต้องใช้เวลานาน ต้องมีกาลยาณมิตรมาช่วยต้องมีลูกไม้เทคนิคต่างๆมากมายบางทีต้องกินยานอนหลับให้มันเลิกคิดไปบ้างถึงจะค่อยดึงจิตออกมาจากความทุกข์นั้นได้ถ้ามีสติตไวพอความทุ ก, กขก์เกิดขึ้นก็รู้ปับ๊บเกิดขึ้นก็รู้ปั๊บจิตดุดเข้าไปในความทุกข์ประเดี๋ยวเดียวส ต, ติก็รู้ทันดึงจิตออกมาอยู่กับความปกติความปกตินั่นแหละ คือความแช่มชื่นแล้วในตัวของมันนั่นแหละคือธรรมชาติของเราคือความผ่องแพ้วที่เราเป็นทุกข์เพราะเราปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาครอบงําความทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เดิมมันมาทีหลังสภาพตามธรรมชาติของจิตเรานั้นคือความปกติผ่องแพ้วพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าจิตนั้นมีธรรมชาติเป็นประภัดสอน แต่เศ้าหมองเพราะกีเดทมาเยือนเหมือนดวงอาทิตย์ที่สว่างสวัยตลอดเวลาแต่ทำไมบางวันอากาศถึงคลึ้มไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์ลดความสว่างลงไปแต่เพราะมีเมฆมาบังดวงอาทิตย์ก็สว่างอย่างนั้นตลอดเวลาบางครั้งดวงจันทร์ก็มาบังทำให้มืดเกิดสุริยุ ป, ป ร, ราคาแต่พอดวงจันทร์เคลื่อนออกไปก็สว่างเป็นกลางวันเหมือนเดิม เห็นกับขณะนี้กำลังมืดไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันดับดวงอาทิตย์ก็ยังสว่างอยู่แต่เป็นเพราะโลกด้านที่เราอยู่หันหลังให้ดวงอาทิตย์ก็เลยมืดแต่ดวงอาทิตย์ก็ยังสว่างสวยฉันใดก็ฉันนั้นจิตของเราสว่างสวยโดยธรรมชาติมันผ่องแผ้วเป็นปกติแต่ที่เราทุกข์เพราะมีกิเลสมันเป็นอาคารตุ ก, กะจอเข้ามาเมฆ เมื่อลอยมาบังดวงอาทิตย์ก็เกิดเงามืดกิเลสเมื่อเข้ามาครอบงมจิตก็เกิดความทุกข์เศร้าหมองจะหายเศร้าหมองก็ด้วยการดึงจิตออกมาจากกิเลสจากอารมณ์อกุศลทั้งหลายเมื่อดึงออกมาจิตก็ผ่องแผ้วเป็นปกติสว่างสวัยให้เราสัมผัสได้เมื่อใดที่เรารับรู้ถึงความประพัฒสอน หรือได้สัมผัสกับความสว่างสวัยของจิตเราก็จะเป็นสุขเที่ยวเรารับรู้ความประพัฒสอนของจิตไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรืออารมณ์อกุศลต่างๆมาบดบังพูดอีกอย่างคือจิตเข้าไปในความทุกข์เราจึงต้องหาทางดึงจิตออกให้ได้สติคือผู้ถ่ายผู้ถอนผู้ดึงจิตออกมาแล้วกิเลสมันไปไหนความทุกข์มันไปไหน เมื่อดึงจิตออกมามันก็คลายหายไปเมื่อเราไม่ปรุงแต่งฝันฟุง้งคลุ่นคิดในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นจะอยู่ได้ยังไงมันก็หายคลายไปเหมือนกับไฟถ้าเราไม่เติมเชื้อไม่เติมฟืนให้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อยมอดดับไปเมื่อเราดึงจิตออกมาอารมณ์นั้นก็ไม่มีเชื้อให้ลุกลามต่อไปมันก็จางหายไป มันเป็นอนิจจังเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นอย่าไปห่วงว่ากิเลสเหล่านั้นจะอยู่คําฟ้าเพราะมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวกับจิตหรือฝังอยู่ในจิตใจเรามันเพียงแต่อาศัยจิตเป็นที่เกิดเหมือนกับไฟถ้าเราเอาไม้มาขัดสีกันก็จะลุกเป็นไฟเราจะบอกได้ไหมว่าไฟมันอยู่ในเนื้อไม้ไม่ได้ ไฟมันเพียงแต่อาศัยไม้เป็นที่เกิดเหมือนกับเป่าครุยแล้วเกิดเสียงเราจะบอกได้ไหมว่าเสียงนั้นอยู่ในคลุยเอามาเขย่าเท่าไรก็ไม่มีเสียงตกลงมาไฟอาศัยเนื้อไม้เป็นที่เกิดก็จริงแต่ก็ต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบเช่นความชื้นไม่มากเกินไปมีออกซิเจนมีการขัดสีกันจนเกิดอุณหภูมิพอเหมาะ มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยไม่มีเช่นความชื้นมากเกินไปไม่มีอากาศก็เกิดไฟไม่ได้ในทำนองเดียวกันความทุกข์ความสุขความเครียดโกรธเกลียดเหงาหงอยท้อแท้สิ้นหวังก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันถ้าไม่มีปัจจัยมาหนุนเสริมมันก็อยู่ไม่ได้ต้องดับไป ถ้าจิตของเราไม่ไปเอออหอมกให้กับอารมณ์เหล่านั้นมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องดับไปสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดความผ่องแผ้วในจิตใจขึ้นมาทั้งนี้โดยมีสติเป็นผู้ป้องกันก็ถึงเรียกว่าสติเป็นยามเฝ้าประตูเมืองจิตที่มีสติกำกับเป็นจิตที่ประเสรศิฐที่จะช่วยให้เรามีความสุขแต่ถ้าจิตใดไม่มีสติกำกับ จิตนั้นก็เป็นรังของความทุกข์พร้อมจะถูกความทุกข์มากระทาย่ำยีตลอดเวลาเรียกว่าหลุดเข้าไปในความทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนแทบไม่ได้ว่างเว้นเลยฉะนั้นสุขทุกข์อยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าไม่มีใครที่จะนําความทุกข์มาให้แก่เรานอกจากจิตที่ตั้งไว้ผิด พูดง่ายๆคือเราทุกข์ก็เพราะจิตของเรานั่นแหละเราสุขก็เพราะใจของเรานั่นแหละแต่ท่านไม่ได้ใช้คำว่าจิตของเราแต่ท่านใช้คำว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะจิตไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะทำร้ายหรือนำความทุกข์มาให้นอกจากจิตที่ตั้งไว้ผิดไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่โชคชะตา ไม่ใช่เคราะกรรมอะไรทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราว่าจะตั้งจิตไว้ถูกต้องหรือไม่การตั้งไว้ถูกต้องคือตั้งอยู่บนฐานแห่งสติฐานแห่งความรู้ตัวถ้าตั้งจิตไว้บนฐานรู้จึงจะกอบกู้จากอารมณ์ได้ให้จำไว้เลยตั้งจิตบนฐานรู้ถึงจะกอบกู้ใจจากอารมณ์ได้ ถ้าจิตตั้งอยู่บนฐานอน่งความหลงลืมมันก็จะอยู่อย่างสุขสุขทุกๆไปตลอดแต่ที่จริงมันไม่ถึงกับตลอดการธรรมชาติของจิตนั้นจะพยายามหลุดจากอารมณ์ส่วนอารมณ์นั้นก็เป็นอนิจจังมันเสื่อมได้พอเสื่อมใจก็หลุดเหมือนกับเมฆที่เมื่อจางหายไปความสว่างก็กลับคืนมาสาคัญมากนะ การที่เราเข้าไปยึดถือในอารมณ์มันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์อารมณ์ต่างๆเราห้ามไม่ให้เกิดได้ยากมากเพราะมีปัจจัยมากมายที่เราคุมไม่ได้การห้ามไม่ให้ความเครียดความโกรธเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องยากมากแต่สิ่งที่เราทำได้คือไม่เข้าไปยึดถือมันหลวงปู่ดูลอดุโร ท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของพระจันมั่นหลายคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะเคยมีคนมาถามท่านว่าหลวงปู่มีความโกรธไหมหลวงปู่ท่านตอบสั้นๆว่ามีแต่ไม่เอาเท่านี้แหละมีแต่ไม่เอาท่านไม่ได้คุยโม้ว่าไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์ท่านถ่อมตัวท่านว่ามีแต่ไม่เอา พอพูดอย่างนี้เราฟังแล้วก็รู้สึกว่าทาได้มันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยใช่ไหมเราทําได้ทุกคนก็ทําได้ถ้ามีสติความโกรธมันเกิดขึ้นในใจแต่เราไม่เอามันระวางมันเลยคือไม่เข้าไปในความโกรธตัวที่ทําให้เราวางได้คือสติและต้องมีปัญญามาช่วยด้วยเช่น เห็นว่าความโกรธนี้มันไม่ดีอย่างไรมันทำลายเรามันบั่นทอนเราเวลาเราโกรธ ค, คนน้นคนนี้นึกอยากจะทำรทา้ายเขาคนที่เดือดร้อนเป็นคนแรกคือใครไม่ใช่เขาแต่คือเราขณะที่เรา Pray <c jumps out> พยายามคิด จ, จะเล่นงานเขาคนที่ถูกเล่นงานเป็นคนแรกคือเราไม่ใช่เขาความโกรธมันเล่นงานเราก่อนคนอื่น จิตที่ตั้งไว้ผิดนี่แหละมาเล่นงานเราเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราโดนความโกรธในใจเล่นงานก่อนแล้วถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้เราไม่อยากจะยึดความโกรธไว้ในใจเห็นความโกรธเป็นขยะที่ไม่น่าเอาความเห็นแบบนี้คือปัญญาที่เข้าไปหนุนสติให้มีกำลังเอาชนะความโกรธได้รางวัลที่ตามมาคือ อิสรภาพของจิตคือความปกติที่แม้จะไม่หวือหวาแต่ก็ทำนองเดียวกับน้ำจืดแม้ไม่อร่อยเท่าน้ำหวานแต่ก็มีความสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย